ในคาถาต่อไปว่ากิเลสชาติที่เพิ่งเกิดขึ้นเพราะปรารบถึงสังขารในการก่อนท่านจงให้เหือดหายไปเสียนนะตันหาที่ปรารบอดีตอันนะกำจัดตันหานั้นซะกิเลส ช, ชาติคือกิเลสเครื่องกังวลที่จะเปิดพึงเกิดขึ้นเพราะปรารบสังขารทั้งหลายในภายหลังอย่าได้มีแก่ท่าน ไอ้ตันหาที่ปรารถนาต่อไปในอนาคตอย่ามีเหมือนกันถ้าท่านจักไม่ยึดถือสังขารในท่ามกลางสังขารทั้งหมดขณะนี้ก็ตัดให้หมดตันหาตอนนี้นะถ้าละได้หมดอย่างนี้ท่านจักเป็นผู้เข้าไปสงบประพฤติไปท่านจะสงบราคะโทสะโมหะเที่ยวไปในเรียบทสอย่างสบายเหาือนกันถ้าทําได้อย่างนี้นะนี่คือเรียกว่าหัวใจของคําสอนนะนะหลักการก็อย่างนี้แหละ คำว่ากิเลสชาติที่พึงเกิดขึ้นเพราะปรารภถึงสังขารในการก่อนท่านจงให้เหยื่อหายไปเสียความว่ากิเลสเหล่าใดพึงเกิดขึ้นเพราะปรารภสังขารทั้งหลายอันเป็นส่วนอดีตท่านจงยังกิเลสเหล่านั้นให้เหยื่อหายไปให้แห้งไปให้เหยื่อหายไปเหือดแห้งไปคือละบันเทาทําให้สิ้นให้ถึงความไม่มีในภายหลังด้วยเหตุ อย่างนี้ดังนี้เชื่อว่ากิเลสชาติที่เพิ่งเกิดขึ้นปรารบสังขารในการก่อนท่านจงให้เหือดหายไปเสียว่าอารมณ์ทั้งหลายที่ปรารบด้วยความสุขหวานเชิญเนี่ยน ะ, ะสังขารในอดีตทั้งหมดเนี่ยตัดกิเลสตัดชันธราคะอันนี้ได้อย่างไงเนี่ยนะ พันจะต้องเจริญวิปัสนาประพิจารณาสังขารในอดีตโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างมากนั่นแหละจึงจะตัดตันหาตัดฉันทราคะในสังขารในอดีตได้อีกอย่างหนึ่งอภิสังขารคือกรรมอันเป็นส่วนอดีตเหล่าใดที่ยังไม่ได้ให้ผลท่านจงยังอภิสังขารคือกรรมเหล่านั้นให้เหยือดหายไปให้เหยือดหายไปให้เหืแห้งไป คือจงทําให้สิ้นพืชละบรรเทาทําให้สิ้นให้ถึงความไม่มีในภายหลังนะเจตนากรรมกรรมที่ได้ทําไม้แล้วในอดีตนะกรรมเหล่านั้นน่ะที่ยังไม่ได้ให้ผลแต่ยังเป็นกรรมอยู่เพราะฉะนั้นทำลายกรรมอันนั้นซะอย่าให้กรรมอันนั้นมันให้ผลอีกต่อไปเพนั้นการที่จะทำลายกรรมในอดีตไม่ให้ให้ผลต่อไปก็คือด้วยการทาลายกิเลสนั่นเองนั้นถ้าทาลายกิเลส ในตอนนี้ได้กรรมในอดีตก็จะเป็นอันเลิกให้ผลสัทีหนึ่งท่านธาตละกิเลสได้กรรมในอดีตที่ทำไปก็เป็นอันจบมานะคำว่ากิเลสชาติเครื่องกังวลที่พึงเกิดขึ้นเพราะปรารบถึงสังขารในภายหลังจะได้มีแก่ท่านความว่าอนาโคตเรียกว่าภายหลังกิเลสชาติเครื่องกังวลเหล่าใดไม่ว่าจะเป็นราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิกิเลสทุจริต เพิ่งเกิดขึ้นเพราะปรารบสังขารทั้งหลายในอนาคตกิเลสชาติเครื่องกังวลเหล่านี้อย่าได้มีแก่ท่านคือท่านอย่าทําให้ปรากฏอย่าให้เกิดอย่าให้เกิดพร้อมอย่าให้บังเกิดอย่าให้บังเกิดเฉพาะจงละบรรเทาทําทให้สิ้นไปให้ถึงความไม่มีในภายหลังกิเลสที่ปรารบมุ่งอนาคตต่อไปก็ให้ละซะถ้าท่านจักไม่ยึดถือเอาสังขารในท่ามกลาง นะก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณปัจจุบันขณะนี้เรียกว่าท่ามกลางถ้าท่านจักไม่ถือเอาไม่ยึดไม่ถือไม่ยึดถือไม่ยินดีไม่พูดถึงไม่ติดใจจัจกละบันเทาทําให้สิ้นไปให้ถึงความไม่มีในภายหลังซึ่งความยินดีความพูดถึงความติดใจความถือความยึดถือความถือมั่นซึ่งสังขารทั้งหลายในปัจจุบันด้วยอํานาจตันหาและทิฏฐิเรียกว่าตัดความเยื่อใยในชีวิตตอนนี้ซะเนี่ยนะ ทละความยื้อใหญ่ในชีวิตในตอนนี้ได้เรียกว่าไม่ยึดถือเอาสังขารในท่ามกลางใช้ชีวิตไปแต่ไม่ยื้อใหญ่ในชีวิตเลยเนี่ยนะก็จะต้องมีปัญญาอย่างมากเลยนะจึงจะจึงจะทาใจได้อย่างนั้นจริงๆไอ้คำว่าไม่ใช่แกล้งนะแต่ว่าเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคำว่าท่านจักเป็นผู้เข้าไปสงบประพฤติไปความว่าท่านจักเป็นผู้สงบเข้าไปสงบ เข้าไปสงบวิเศษดับระงับแล้วเพราะดับราคา่าโทสะโมหมะนะความโกรธความผูกโกรธริศยาตรณีะนะความถือตัวความเย่อหยิ่งความเมาความประมาทเป็นต้นตลอดจนถึงอากุศลาภิสังขารทั้งปวงนี่นะเป็นสภาพสงบสงบงเงียบเข้าไปสงบวิเศษถูกเผาดับปราดไประ ง, งับประพฤติผลเปลี่ยนอิริยาบถเป็นไปรักษาบำรุงเยียวยาฉะนั้นจึงชื่อว่า ท่านเป็นผู้เข้าไปสงบประพฤติไปสรุปคาถาที่กล่าวไปว่ากิเลสชาติที่พึงเกิดขึ้นเพราะปรารบถึงสังขารในการก่อนท่านจงให้เหยื่อหายไปเสียกิเลสชาติเครื่องกังวลที่พึงเกิดขึ้นเพราะปรารบสังขารทั้งหลายในภายหลังอย่าได้มีแก่ท่านถ้าท่านจักไม่ยึดถือเอาสังขารในท่ามกลางท่านจักเป็นผู้ ประพฤติสงบเนี่ยนะเข้าไปสงบกิเลสแล้วก็ประพฤติอริยาบทสี่เป็นตปสรุปง่ายๆว่าตัดกิเลสที่ยินดีในสังขารในอดีตเนี่ยนะตัดกิเลสที่ยินดีในสังขารในอนาคตไม่ยึดถือด้วยอานาจตันหาที่ที่ในขันที่เป็นอยู่เนี่ยก็จะสงบราคะเป็นต้นเนี่ยนะประพฤติไปได้มีนะผู้ที่ฟังคาถานี้แล้วบรรลุเป็นพาาระอรหันต์อย่างเช่นพระ สันตติมหาอมาตย์เนี่ยฟังคาถานี้แล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์ต่อไปเป็นคาถาสรรเสริญพระอรหันต์ว่าความถือว่าของเราในนามรูปไม่มีแก่ผู้ใดโดยประการทั้งปวงผู้ใดย่อมไม่เศร้าโศกเพราะสิ่งที่ถือว่าของเราไม่มีอยู่ผู้นั้นย่อมไม่เสื่อมในโลกนะซึ่งอธิบายว่าโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะก็คือโดยไม่มีส่วนเหลือ ที่บอกว่าความถือว่าของเราในนามรูปไม่มีแก่ผู้ใดโดยประการทั้งปวงคำว่านามก็คืออะไรก็คือนามขันอ่ะนะผู้รูปก็คือมหาผู้ตรูปและรูปที่อาศัยมหาผู้ตรูปสี่ชื่อว่ารูปคือะ้าหันตะขีนาศนี่นะไม่มีความถือสองอย่างความถือด้วยตันหากับความถือด้วยทิฏฐิ ผลความถือว่าของเราในนามรูปถือด้วยตันหาทิฐิในนามรูปไม่มีแก่พาดหันโดยประการทั้งปวงความว่าความถือว่าของเราในนามรูปย่อมไม่มีไม่ปรากฏไม่เข้าไปได้แก่ผู้ใดโดยประการทั้งปวงคืออันผู้ใดละตัดขาดสงบประงับแล้วทำให้ไม่ควรเกิดขึ้นเผาเสร็จแล้วด้วยไฟคือยาน เพราะฉะนั้นจึงเชื่อว่าความถือว่าของเราในนามรูปไม่มีแก่พาหันโดยประการทั้งปวงและผู้ใดย่อมไม่เศร้าโศกเพราะสิ่งที่ถือว่าของเราไม่มีอยู่นั่นะพาหันท่านไม่มีความโศกว่าย่อมไม่เศร้าโศกถึงวัตถุที่แปรปรวนหรือเมื่อวัตถุแปรปรวนไปแล้วก็ย่อมไม่เศร้าโศกถึงคือไม่เศร้าโศกไม่ลำบากใจไม่รำพันไม่ทุบอกข้ามครวนไม่ถึงความหลงไหลว่า จักรสุ ข, ของเราไงว่าตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงเลิ่นรสโพทภะสกุลคณะอาวาตลาบยศสรรเสริญสุขนี่นะจีวนบินธบาศเสนาสนะคีฬานปั จ, จัยเภสัชบริขารตลอดจนถึงพี่พ่อแม่พี่น้องมิตรอม า, าดญาติสาโลหิตของเราแปรปรวนไปแล้วันไม่เศร้าโศกเพราะสิ่งที่ถือว่าของเราไม่มีอยู่เพราะฉะนั้นเรียกว่า พ่อตายยังไม่เสียใจเลยเหมนันนะแม่ตายก็ไม่เสียใจลูกตายก็ไม่เสียใจตัวจะตายก็ยังไม่เสียใจเลยนะหมายถึงละกิเลสได้แล้วนะไม่ใช่ว่ากิเลสเท่าเดิมแกล้งเป็นไม่เสียใจไม่ใช่หมายถึงที่ไม่เสียใจเพราะละกิเลสได้หมดแล้วเพราะอะไรเพราะไม่ยึดถือนามรูปโดยประการทั้งปวงว่าเป็นของเราเลยไม่มีไม่ได้ยึดถือด้วยนาตัณหาและทิฏฐิในนามรูปทั้งมวลเลย อีกอย่างหนึ่งผู้ใดเป็นผู้อันทุกขเวทนาซึ่งไม่สําราญกระทบครอบงำย่ำยีเข้ามาถึงก็ย่อมไม่เศร้าโศกนะเรียกว่าเจ็บกายเจ็บใจก็ไม่ลําบากกายไม่คือเจ็บกายเจ็บใจก็พาธานี่มีแต่ความเจ็บกายอย่างเดียวย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลําบากใจไม่ลาพันไม่ทุบอกไม่คร่ำครวนไม่ถึงความหลงไหลแม้ด้วยเหตุดังนี้ชื่อว่าย่อมไม่เศร้าโศกเพราะสิ่งที่ถือว่าของเราไม่มีอยู่ <c oughs> หรือแม้กระทั่งเป็นผู้โรคกระทบอ่ะนะโรคตาหูจมูกลิ้นกวดกายใจยโรคทั้งร่างกายทั้งหมดอ่ะนะตลอดจนถึงสัมผัสที่เกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เสือคลานทั้งหลายกระทบครอบงำย่ำ ย, ยีเข้ามาถึงแล้วก็ไม่เศร้าโศกไม่ลำบากใจไม่รำพันไม่ทุบอกคร่ำครวนไม่ถึงความลหลงไหลด้วยเหตุดังอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งเมื่อนามรูปนั้นไม่มีไม่ปรากฏไม่เข้าไปได้ ผู้ใดย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากใจไม่ลำพันไม่ทุบอกคร่ำครวญไม่ถึงความหลงไหลว่านามรูปของเราได้มีแล้วหนอนามรูปของเราไม่ได้มีแล้วหนอนามรูปของเราพึงมีหนอนามรูปไม่ได้เอ่อเราย่อมไม่ได้นามรูปเนาะเพื่อนจึงเรียกว่าผู้ที่ไม่เศร้าโศกเพราะสิ่งที่ถือว่าของเราไม่มีก็คือรอบรู้ในอารมณ์ทั้งหมดที่กล่าวไปเนี่ยนะก็เลยไม่ได้มีความยึดถืออะไร คำว่าผู้นั้นย่อมไม่ไม่เสื่อมในโลก น, นะไม่มีความเสื่อมจริงๆคือความยึดความถือความถือมั่นความชอบใจความน้อมใจถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรอะไรว่าสิ่งนี้ของเราหรือว่าสิ่งนี้ของผู้อื่นย่อมไม่มีแก่ผู้ใดความเสื่อมย่อมไม่มีแก่ผู้นั้นคือท่านไม่ได้ยึดถือว่าขันห้าเนี่ยเป็นของเราหรือเป็นของผู้อื่นอ่ะแล้วเป็นใครอ่ะก็ขันห้ามาันก็เป็นขันห้าที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอ น, นัตตานั่นแหละ มันสรุปสมจริงดังคาถาภาษิต ท, ที่ว่าท่านเสื่อมแล้วจากรถมา้าแก้วมณีกุลทนเสื่อมจากบุตรและภริยาทั้งจากโภคสมบัติทั้งปวงที่ไม่ได้เสพเพราะเหตุไรท่านจึงไม่เดือดร้อนในเวลาเศร้าโศกนะเสียทรัพย์เสียสารพัดศูญเสียทุกอย่างนะทำไมไม่เสียใจบอกว่าโภคสมบัติทั้งหลายย่อมละสัตว์ไปก่อนบ้างสัตว์ย่อมละโภคขสมบัติเหล่านั้นไปก่อนบ้างานะ ก็เป็นอย่างนี้แหละทราบอ่ะนะแต่เราไม่จากมันไปก่อนมันก็จากเราก่อน่ะไม่ไม่แน่สรุปว่าต้องจากอะนะผู้ไข่กามมีพวกสมบัติทั้งหลายเป็นผู้ไม่มีอะไรอะไรเป็นของของตนเพราะเหตุนั้นเราจึงไม่เศร้าโศกในเวลาเศร้าโศกไม่รู้จะเสียใจไปทำอะไรนะแต่มันไม่จากเราเราก็จากมันอยู่นั่นแหละ เพราะฉะนั้นดวงจันย่อมขึ้นเต็มดวงก็เสื่อมไปดวงจันเนี่ยนะพอพอ15บห้าข้ามแนละ้วหลังจากนี้มีแต่หมดไปหมดไม้ปไปดวงอาทิตย์อัสดงโคดแล้วก็รับไปอย่างตอนนี้ดวงอาทิตย์ก็หายไปโลกธรรมดั้งแปดเรารู้แล้วคือทําปริญญาในโลกธรรมเบ็ดเสร็จแล้วเพราะเหตุนั้นเราจึงไม่เศร้าโศกในเวลาเศร้าโศกเนี่ยนะไม่รู้อะไรจะทําให้เราโศกเพราอะไรเพราะว่าสิ่งที่เป็นเหตุแห่งความเศร้าโศกเราพิจารณาหมดแล้วเนี่ยนะ ว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆนะนะถ้าเป็นทุกข์สัตว์ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันเป็นคือตัวโรคตัวฝีจริงๆไอความผูกพันนั่นแหละเป็นเหตุแห่งทุกข์นั่นแหละมันถ้ากําจัดความผูกพันโดยประการทั้งปวงแล้วจะโศกทําอะไรวะงั้นเพราะนั้นความถือความยึดถือความถือมั่นความชอบใจความน้อมใจถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรอะไรว่าสิ่งนี้ของเราหรือว่าสิ่งนี้ของคนเราอื่นย่อมไม่มีแก่ผู้ใด ความเสื่อมก็ไม่มีแก่ผู้นั้นสมจริงดังภาษิตว่าดูก่อนสมณนะท่านย่อมยินดีหรือม่นะก็ตอบว่าดูก่อนท่านผู้มีอา ย, ย, ยุเราได้อะไรเล่าจึงยินดีดูก่อนสมณนะถ้าอย่างนั้นท่านย่อมเศร้าโศกหรือดูก่อนท่านผู้มีอา ย, ยุสิ่งอะไรอะไรของเราเสื่อมไปแล้วเราจึงเศร้ราโศกเอางั้นดูกนสมณนะถ้าอย่างนั้นท่านย่อมไม่ยินดีย่อมไม่เศร้าโศกบอกว่าใช่ผู้มีอา ย, ยุเราเป็นอย่างนั้น อันภาหาันเนี่ยถ้าบอกท่านไม่ได้ยินดีก็ไม่ได้เสียใจเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ยินดีและไม่เสียใจนนะและสมจริงดังพาสิทธิ์ที่ว่าเป็นเวลานานหนอเราจึงได้เห็นภิกษุผู้เป็นพรามดับรอบแล้วไม่มีความยินดีไม่มีทุกข้ามตันหาเครื่องเกาะเกี่ยวในโลกว่างั้น ตอนนี้เจอพาหันแล้วพาหันเป็นผู้ที่ไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่มีเครื่องข้องอะไรอะไรในโลกเลยต่อไปว่าสรุปคาถาที่กล่าวว่าความถือว่าของเราในนามรูปย่อมไม่มีแก่ผู้ใดโดยประการทั้งปวงและผู้ใด ย, ย่อมไม่เศร้าโศกเพราะสิ่งที่ถือว่าของเราไม่มีอยู่ผู้นั้นย่อมไม่เสื่อมในโลก คถาต่อไปว่าความกังวลอะไรๆว่าสิ่งนี้ของเราหรือว่าสิ่งนี้ของคนเหล่าอื่นย่อมไม่มีแก่ผู้ใดผู้นั้นเมื่อไม่ได้ความถือว่าของเราก็ไม่เศร้าโศกว่าสิ่งนี้ย่อมไม่มีแก่เราก็คือผ้าหันเนี่ยนะเพราะนั้นผ้ า, ผาหันตะขีนาศพนะ ความถือความยึดถือความถือมั่นความชอบใจความน้อมใจถึงสังขารอะไรอะไรคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าสิ่งนี้ของเราหรือว่าสิ่งนี้ของคนเราอื่นย่อมไม่มีไม่ปรากฏไม่เข้าไปได้แก่ผู้ใดคืออันผู้ใดละตัดขาดสงบประงับแล้วทําให้ไม่ควรเกิดขึ้นเผาเสร็จแล้วด้วยไฟคือยาน เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าความกังวลอะไรๆว่าสิ่งนี้ของเราหรือว่าสิ่งนี้ของคนเราอื่นย่อมไม่มีแก่ผู้ใดสมจริงดังพระภาษิต ท, ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายกายนี้ไม่ใช่ของท่านทั้งหลายทั้งไม่ใช่ของคนอื่นกายนีนะ่ไม่ใช่ของท่านแล้วก็ไม่ใช่ของคนอื่นด้วยดูก่อนพิสูน์ทั้งหลายกายนี้อันกรรมเก่าเนี่ยควบคุมแล้วกรรมเก่านี่สร้างขึ้นนะ อันจิตประมวลเข้าแล้วท่านทั้งหลายพึงเห็นว่าเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาดูก่อนพี่สูตทั้งหลายอริยสาวกได้สดับแล้วย่อมมานสิการถึงปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละโดยแยกคลายเป็นอย่างดีในกายนี้ว่าเพราะเหตุนี้เพราะเหตุนี้เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับนะ สรุก็คือพระอาะวิชานนั่นแหละเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารนั่นแหละเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณ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 ถ้าหากว่าอวิชานั่นแหละดับด้วยความสำรอกโดยไม่เหลือสังขารก็ดับถ้าสังขารดับปฏิสนธิวิญญาณเป็นต้นก็ดับพันถ้าวิญญาณดับนามรูปสลายตระหนัตภาษาเวทนาตันหาอุปาทานพบชาติชรามรนโศกาปริเทวะทุกโทมณตได้อุปาญาตก็ดับอันความดับแห่งกองทุกทั้งสิ้นนั้นย่อมมีด้วยอาการดังนี้เพราะฉะนั้นความกังวล สรุปว่าความกังวลอะไรอะไรว่าสิ่งนี้ของเราหรือว่าสิ่งนี้ของคนอื่นย่อมไม่มีแก่ผู้ใดก็ไม่ได้สำคัญว่าของเราด้วยก็ไม่ได้สำคัญว่าเป็นของผู้อื่นด้วยเอาแล้วมันเป็นอะไรมันก็เป็นขันห้านั่นแหลนนะก็เป็นขันห้าวันยังค่ำมันนะนะ